หก <Book> <67. S 3> สิบเจ็ดสับพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง possessive pronoun สองแว่นตาเบรลเลอร์เขาลืมแว่นตาของเขา เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนว่าเขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนนาฬิกาอุรนาฬิกาของเขาเสียหันส์สุรุสตอนาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้องอุร หนังสือเดินทาง passet <it. S 2> เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหายฮันฮาร์มิ pass แล้วเขาเอานังสือเดินทางไว้ที่ไหนว่าหาฮนติ pass พวกเขาของพวกเขา เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ børnene kan ikke f i n แ e deres forældre แต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว m, m e ่ der kommer deres forældre jo าคุณของคุณที่เ การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์ว o าดันว่าเดอรลอร์ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ว่าเอเดอร์สคูเนเฮลอร์คุ ณ, one, คณของคุณดิเด The, การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ Then rice, สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธว่าอยรต่สแมนฟรุชมิ